วันนี้ออกบินทบาทเช้าไปสักหน่อยนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานเพราะว่าเราต้องไปตามดวงอาทิตย์แต่ก่อนเราต้องเจ็ดโมงเจดโมงสิบ้านาทีเพื่อเผือเจ็ดโมงครึ่งไปบินทบาทเพราะเหตุไรเพราะว่ากลางวันน้อยกลางคืนมากแต่เดี๋ยวนี้มันกลางคืน น้อยล่ะกลางวันมากเดี๋ยวนี้ออกบินระบาตวันก่อนออกบินระบาตหกโมงสี่สิบห้าแต่วันนี้ขยับลงมาแต่ขยับเร็วเพื่สักหน่อยนะเป็นหกโมงครึ่งวันนี้ออกบินระบาตเห็นว่าพี่น้องลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมชาวบ้านก็ใสบาทไม่ทันตั้งหลายคนนะวันนี้ว <c oughs> ิ่งกันทะพัดทะเพือห่างกันสิบห้านาที <c oughs>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 ไม่นานพ่อค้านายทุนก็สนใจที่ตรงนั้นขายออกไปเลยได้กาไรเอเกินขึ่น้นนี่แหละคนที่จะรวยมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าคนที่จะจนแล้วซื้อเข้าไปแล้วก็เออเก็บดอกเบีย้ยกินผลที่สุดก็เลยดอกกินหมด เ, เพอรเพอรนั้นจะเป็นเจ๊งอีกเพราะดินแปลงนั้นอีกต่างหากเพราะเหตุหลายสิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็น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 ใช้เสนาสนะการฉัญยาแก้โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดสำหรับพระใหม่พระไม่ใช่พระใหม่พระเก่าพระทุกอง์ที่บวชมาในพระพุทธศาสน า, าต้องให้มีการพิจารณาซะก่อนจึงบริโภคปั จ, จัจสี่พิจารณาก่อนจึงบริโภคปั จ, จัยสี่ยาบริโภคด้วยตัณหาด้วยความอยาก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 ข้าจะเอาลูกสกาไปแช่น้าไปแช่ยาพิษนะก็เลยเอาลูกสกาไปแช่ยาพิษอย่างร้ายแรงนะแช่อยู่สั้สามวันนะไปห้อยยาพิษซึมซับเข้าไปในลูกสกาเนะี่อจากนั้นก็เอาไปเล่นกันนะชวนไปเล่ น, นพอเล่นเสร็จแล้วไอ้นั่นมันเสียเปียบนะมันก็กลืนลูกสกาเข้าไปในท้องพอเกืนลูกสกาเข้าไปเพื่อนก็ยังเจตนาดีอยู่เล เ, เพื่อนมันลูกสกามันหายไปไหนเนี่ยถ้าใครก็ตามแนละ้วมันไม่มีกี่คนนะ่อยู่ด้วยกันเนะี่ยถ้าใครกืนลูกสกาเนะ่ระวังให้ดีกันแล้วกันนะลูกสกาเนะี่ยผมข่าไปเจ้าอาบด้วยยาพิษนะจะไปคืนนะไม่ใช่เอาไปกืนไม่ใช่คืนให้กินนะเอามาเล่นกันนะถ้าใครกืนก็เถอะนะเดี๋ยววันนี้จะเห็นผลแหละนะเออพอว่าเท่านั้นนะเอย อ, อีกไม่นานกับตาลีตะเหลือขึ้นมาีึง